มีโยมนหนึ่งมาล่อยฟังว่ามีเรื่องขัดแย้งกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องที่ดินก็เลยมีปากเสียงกันพอเถียงกันไปเถียงกันมา น้องชายก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเป็นนักปฏิบัติทำยังไงนะทำไมถึงยังโกรธอยู่รอกกูว่ามาไปจี้จุดนะทำให้เธอปรีขึ้นมาเลยแล้วคุมอารมณ์ไม่อยู่นะก็อาอ ก, การหนักขึ้น บวยวายใหญ่พอบวยวายไปแล้วก็ค่อยมารู้สึกตัวค่อยมามีสติในภายหลังโอ้เราทำอย่างนั้นได้ยังไงนะอุตสาปรดิบัตทำมาทำไมคุมอารมณ์ไม่อยู่เก็บอาการไม่ได้อันนี้ก็เป็น สิ่งที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากหรือคนที่เรียกตัวเองว่านักปฏิบัติธรรมเวลา <c oughs> เวล า, าใครมาพูดอะไรอาจจะไม่ค่อยรู้สึกถูกระทบเท่าไหร่นะแต่พอมาอ้างอิงนะมา พูดกระทบความเป็นนักปฏิบัติธรรมนะของตัวนี้จะโกรธมากอันนี้เรียกว่าเป็นจุดอ่อนก็ได้นะของคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าเรียกตัวเองว่านักปฏิบัติธรรมันเป็นพ่ออะไรนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าพอาปฏิบัติธรรมไปนานๆ น, น, นะ มันก็เกิดภาพตัวตนขึ้นมาว่านะว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมอันนี้ภาษาพาเรียกว่าเกิดภพชาติขึ้นมาฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมคำว่าชาตินะมันไม่แปลว่าเกิดมันไม่ได้แปลาว่าเกิดจากท้องแม่อย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นการเกิดในทางจิตใจก็ได้ไม่ใช่แค่การเกิดในทางร่างกายเกิดในทางจิตใจว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรม ฉันเป็นนักภาวนาซึ่งมันให้ความรู้สึกที่ดีนะมันให้ความรู้สึกที่ดีเพราะว่านะการเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่มันนะมันมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วล่วนะใครใครก็อาจชื่นชมสารเสริญนะใครๆเมื่อรู้ก็อนุโมทนาด้วย อันนี้พอเกิดความสุกขึ้นมาว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนะหรือถ้าพูดมันตรงๆก็คือกเกิดวามสกูลเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเกิดความสุขความปราบรืมนะอะไรก็ตามนะที่มันให้ความสุขกับเรานะพอมันถูกกระทบนะหรือมันแปลเปลี่ยนไปนะ ให้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีเลยอย่างตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเข้าของรถยนต์โทรศัพท์นะเสื้อผ้าเนี่ยมันให้ความสุขกับเรานะแต่พอสิ่งนั้นมันถูกกระทบถูกกระทบในที่นี้ก็อาจจะได้แก่อ่มันเสื่อมเสียเสียหายไป หรือว่ามีคนมาทําให้มันเสียรูปเราก็จะรู้สึกโกรธทันทีบางทีไม่ได้ทําให้เสียในทางรูปธรรมนะแต่ว่าเป็นการกล่าวเป็นการพูดกระทบเป็นการวิพากวิจารนะนะเสื้อตัวนี้มันไม่สวยเลยนะหรือว่า รถคันนี้เนี่ยมันเก่าโทรศัพท์รรรนี่มันตกรุ่นแล้วเนี่ยไอ้คำพูดแบบนี้นี่มันก็เรียกเป็นการกระทบนะเป็นการกระทบกับสิ่งที่ให้ความสุขกับเรายัไม่ทันเสียไม่ทันหายเลยเลยเราก็ทุกข์ซะแล้วนะเพราะว่ามีความยึดว่าเนี่ยเป็นเราเป็นของเรา ความเป็นนักปฏิบัติธรรมนะมันให้ความสุขกับผู้ที่ยึดถือที่แรกก็ไม่ยึดถือหรอกนะแต่ว่าพอมันให้ความสุขเข้าก็มันก็ธรรมดาที่จะยึดนะยึดแล้วก็อยากจะรักษาเอาไว้นะแต่พอมีใครมาพูดนะกระทบ มันทำให้รู้สึกว่าเราเนะยังเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ไม่ดีพอเนี่ยอันนี้มันก็ในด้านหนมันก็เกิดความเสียใจด้านนงก็เกิดความโกรธนะเพราะว่ามันกระทบภาพตัวตนนะภาพตัวตนว่านักปฏิบัติธรรมในภาวะ น, นั้นเนี่ยถ้าพูดในละเอียดสักหน่อยก็จะเรียกว่าภพชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดนะ เกิดความดับเกิดความแปรปวนขึ้นนะไม้จะเป็นชั่วขณะก็ทําให้เกิดทุกขโทมนัสนะแต่ถ้าพูดง่ายๆรวมๆกว้างๆคือมันพอมันกระทบในความเป็นตัวกูเนยะตัวกูถูกกระทบขึ้นมาก็กลัวขึ้นมานะก่อนที่จะกลวัวมันทุกข์ก่อนนะมันทุกขนะ์พอทุกข์แล้วก็ก็ เกิดโทษสะขึ้นมาในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็อเป็นความเป็นความเป็นความอ่อนแอของนักปฏิบัติด้วยนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราเสียหายไม่ได้ว่าว่าเรารักขโมยไม่ได้ว่าเราเป็นคนชั่วร้า ย, เ, ยเขาก็ไม่ได้ด่าพ่อร่อแม่เราเนแค่แตา พูดพูดนะกระทบความเป็นนักปฏิบัติธรรมของเรานี่ก็โกรธแล้วอันนี้มันก็เป็นทั้งจุดอ่อนด้วยแล้วเป็นทั้งความอ่อนแอนนะของนักปฏิบัติธรรมนะซึ่งก็เกิดขึ้นทั่วไปจริงๆเนี่ยนะก็ถ้าถ้ามีสติสักหน่อยนะมันก็ไม่ทุกนะ เหมือนกับที่เคยเล่าว่าเนี่ยหลวงพ่อพุธเนี่ยฐานิโยตอนที่ท่านยังหนุ่มนะท่านไปบินทบาทในเมืองนะตอนนั้นท่านจำพารษาอยู่ที่อุบลตอนหลังท่านไปสร้างวัดป่าสารวันที่โคราชตอนที่ท่านไปบินทบาทที่อุบลเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกชายตัวเล็กๆสีห้าขวบ ยืนรอใส่บาตรอยู่ท่านก็เดินไปเดินไปหากล้จะถึงแล้วนะเด็กมก็พูดมาว่าเนี่ยมึงบอกแม่นพระดอกมึงบอกแม่นพระดอกนะพอไดอยูนนี่ท่านก็โกรธเลยนะแต่ท้าพระก็มีสติรู้นะรู้ทัน <c oughs> ก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่าเออจริงของมันนะเราไม่ใช่พระ ถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธ ถ, ถ้านนั่นแหละนะความโกรธมันวู้ไปเลยแล้วท่านก็ไปรับบาตรจากแม่ของเด็กเนี่ยอย่างปกติไม่ได้รู้สึกโกรธโมโหเด็กหรือว่าโกรธแม่ของเด็กว่าทำไมนะไม่สอนไม่สั่งเด็ก ถ้ามีสตริรู้นะนักปฏิบัติธรรมพอรู้ว่าโกรธหรือว่าพอรู้ว่ากลัวแล้วก็เออคิดว่าเออใช่เรายังไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วไม่โกรธมันก็ไอความกลัวก็ทําอะไรไม่ได้ก็ยอมรับไปซะนะแต่ว่าเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นที่เหนียวแน่นนะหรือว่าเป็นเพราะว่าอัตตาเนี่ยมันมันมันใหญ่นะ พอมันไม่ยอมรับอะตัวตาเนี่ยมันยังไม่ยอมรับ ว, ว่าฉันยังปฏิบัติธรรมไม่ดีพอฉันไม่ชนะปฏิบัติธรรมเนี่ยอัตตามันยังไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ก็เลยเรียกว่าถูกกระทบอย่างจังเลยพอถูกกระทบอย่างจังก็ทุกข์แล้วก็โกรธนะ แล้วก็ระบายนะความโกรธใสใ่ผู้อื่นที่จริงเนี่ยถ้าไม่ต้องปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อย่างที่เคยพูดนะคือว่าเราต้องเวลาเกิดความโกรธเนี่ยนไอความโกรธเนี่ยมันก็จะพยายามดึงจิตของเราส่งออกนอกพุ่งไปยังคนข้างนอกคนที่พูดอย่างนั้นกับเราแต่ถ้าเรามีสตินี่เราจะก็จะกลับมาดูใจของเราอนะ เราวางใจไม่ถูกแล้วเราวางใจไม่ถูกแต่ในยามนั้นถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็จะไปไปไปเพ่งโทษที่คนอื่นยิ่งคนอื่นทําไม่ดีด้วยแล้วเนี่ยมันยิ่งมีเหตุมีผลที่จะต้องไปเล่นงานเขาจนลืมดูใจว่าใจเราก็ไม่ถูกเหมือนกันนะใจเราก็ โกรธเกลียข้อนี่มันก็เรียกว่าวางใจไม่ถูกเวลาใครทำอะไรไม่ถูกเนี่ยนะมันง่ายมากเลยที่เราจะลืมตัวนะเพราะว่าเราอยากจะไปสั่งสอนเขานะอยากจะไปสั่งสอนว่าแกทำไม่ถูกแกทำไม่ถูกนะต้องจัดการนะแต่ก็ลืมมองตัวเองว่าตัวเองก็ ไม่ถูกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่วางใจไม่ถูกนะบางทีทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยนะอย่างเช่นที่เป็นข่าวนะว่าเนี่ยรถมินิคูปเปอร์ถูกเฉียวถูกชนท้ายเนะดิรนรถมอเตอร์ไซค์เจ้าของนี่ก็ไปไปคว้าคอเจ้าของมอเตอร์ไซค์นี่มาไม่ใช่แค่มาด่านะแต่ว่าต่อยด้วย ตอบด้วยนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเจ้าของมอเตอร์ไซค์ทีแรกเขาเขาชนแล้วก็หนีนะแต่ตอนหลังนี่เขาสํานึกผิดเขาก็หันกลับมานะกลับมาคงจะมาขอโทษขอเพ้อหรือจะมารับผิดชอบแต่วาเจ้าจของรถนะเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์หนีนี่ก็เกิดความโกรธอย่างแรงชนแล้วหนีนี่มันแย่มากมันเร็วมากนะ ต้องสั่งสอนนะความโกรธมก็พุ่งไปทีนะ่ผู้ชายคนนั้นแล้วก็ถึงขั้นไม่ใช่แค่ด่านะแต่ว่าทำร้ายเลยก็กลายไปว่าตัวเองทำสิ่งที่แย่ทำทินะ่งทาสิ่งที่ไม่ถูกต้องทิ่งที่ชั่วร้ายมากกว่าอีกคนหนึ่งซึ่งเขาเพียงแค่ชน ชนท้ายรถแล้วก็หนีเท่านั้นเองยิ่งเป็นนักปฏิบัติําไม่ต้องยิ่งต้องยิ่งต้องระวังยิ่งต้องระวังจุดอ่อนของตัวเองตรงนี้คือจุดอ่อนที่หวงแล้วก็ยึดติดนในความเป็นนักปฏิบัติธรรมอันนี้ก็อาจจะขยายความไปโลนถึงการเป็นคนดีด้วยน คนดีภูมิใจในความเป็นคนดีภูมิใจในความเป็นคนมีศีล น, นะแต่พอมีอะไรมากระทบไอ้ภาพลักษณ์ตรงนี้นี่มันบางทีมันโกรธนะลืมตัวมีแม่มีพี่หญิงคนหนึ่งแกก็เป็นคนที่ก็เลยนักปฏิบัติธรรมอ น, นะแล้วแกเป็นคนมีศีลพยายามเคร่งครัดในเรื่องศีลมากแม้แต่ยวงก็ไม่ตก แล้วหนึ่งไปพบว่าลูกสาวเนี่ยนะท้องอยังเรียนอยู่ในท้องโอ้แกโกรธมากเลยนะทั้งโกรธทั้งทุกข์นะรู้สึกว่าเสียหายมากเลยเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนะอยู่ในสีแต่ว่าลูกนี่นะเรียกว่า ไม่รู้จักลักนวน ล, ลักลักตัวสงนวนตัวทําผิดประเพณีถ้าคนรู้เนี่ยเขาจะเขาจะพูดอย่างไรนะเขาจะว่านี่เราว่าเราเป็นแม่เลี้ยงดูยังไงไหนเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่มีศีลแต่ลูกนี่อ่ะเป็นนักปฏิบัติธรรมมีศีลแต่ลูกนี่ไม่มีศีลไปมั่วจนท้องเนี่ยไม่มีพ่อ พอคิดวันนี้เขายิ่กงกลัวแก บ, บังคับลูกเลยนะใ ห, ให้ทำแท้อนนนะทอ ง, อ, ง, โ อ, โทงอย่างดีนะที่มารึลึกได้โหเราทำนี้ได้ยังไงนะยุ่งเราไม่ตกเลยแต่ว่าไปบังคับลูกให้ฆ่าลูกในท้องอันนี้ก็เรื่องเดียวกันนะคือความยึดติดในภาพลักษณ์ภาพลักการเป็นคนมีศีลการเป็นนักปฏิบัติธรรม นะพอภาพลักษณ์นี่มันทํท่าย่่ถูกกระทบเพราะพฤติกรรมของลูกแล้วนะก็พร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อทําให้ภาพรักษณ์นั้นมันมันหายไปแม้กระทั่งนะจะไปหวานล้อมเกล้ยดกล่อมบงังคับให้ลูกนะฆ่าเด็กในท้องอันนี้มันเกิดขึ้นได้นะกับพวกที่เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ใช่แค่ด่ากลับอย่างเดียวนะแต่สามารถจะทําอย่างอื่นก็ได้ ทำร้ายหรือว่าอาทำสิ่งที่เลวร้ายที่มันตรงข้าวความเชื่ อ, องตัวเองก็ได้อันนี้เป็นเพราะความลืมตัวคนเราพอลืมตัวแล้วมันก็ทำได้ทุกอย่างนะแม้กระทั่งสิ่งที่สวนทางกับความเชื่อของตัวและที่ลืมตัวก็เพราะความยึดติดถือมั่นนี่แหละยึดติดถือมั่นนะในภาพลักษ์ หรือยึดติดถือมั่นในในความดีของตัวหรือในความดีที่ตัวเองยึดถือนะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกมีปัญหากับลูกลูกวัยรุ่นแล้วก็ไม่ค่อย เชื่อฟังพ่อเท่าไหร่อันนี้ก็ภาษาวัยรุ่นนะนะพ่อนี่ก็เป็นคนธรรมธรรมโมนะเข้าวัดเป็นประจำนะเรื่องทาบุญเรื่องการปฏิบัติแกก็ใส่ใจแต่ต่อหลังก็มีเรื่องมีปากเสียงกับลูกนะลูกไม่ค่อยเชื่อพ่อเท่าไหร่ที่จริงลูกก็ไม่ได้เก่งไม่เหล่เกเลยเพียงเพราเป็นตัวของตัวเองตามภาษาวัยรุ่น นะก็มีเรื่องหล่อหองระแหงมีเรื่องปากปากเสียงกันเรื่อยมาลูกอยากไม่อยากจะเรียนต่อลูกอยากจะมาลาออกมาทำพวก เ, เกี่ยวเรื่องขายสินค้าออนไลน์พ่อก็ไม่เห็นด้วยนะก็ทะเลาะ ก, กันในเรื่องนี้นะพ่อพ่อนี่ก็อยากจะให้ลูก เ, เรียนมหาวิทยาลัยได้มีอนาคตนะ แต่ลูกก็ไม่เชื่อฟังพ่อพ่อก็เสียใจนะคนดีมันควรจะเชื่อฟังพ่อแม่มีวันหนึ่งนะั้นลูกก็เอารถจริงๆก็เป็นรถที่ตัวเองซื้อให้ลูกให้ลูกกันนะแต่ว่าก็มีการควบคุมมีการมีเงื่อนไขาบางอย่างลูกจะไปใช้งานก็ต้องขอพ่อนะลูกจะไปขออนุญาตเอารถไปไปบ้านเพื่อน ตอนนั้นก็คำแล้วพ่อไม่ยอมลูกไม่สนใจลูกก็ไปพ่อรูก้ก็โกรธไปตามลูกกลับมาแล้วก็ทะเลาะกันที่บ้านนะพ่อนี่เสียใจลูกไม่เชื่อฟังพ่อนะไม่ประพฤติตัวก็ไม่เรียบร้อยนะชอบเถียงพ่อเนะถียงไปเถียงมาก็รุนแรงคง จากความเสียใจกาเป็นความกรัวจากความกรววเป็นความเกลียดไปนะมึงไม่ดีอย่างที่กูอยากเห็นนะสุดท้ายแนละ้วก็เกิดการใช้กำลังเสร็จแล้วก็เห็นปืนอยู่ ใ, ใกล้นะพ่อก็คว้าปืนมายิงลูกตายพ่อพอรู้เข้าตกใจ คือคนเราพอระบายความกรัเสร็จนะมันจะกลับมารู้สึกตัวพอกลับมารู้สึกตัวก็จะรู้สึกตัวสักพักก็รู้ตัวเองผิดพอรู้ตัวเองผิดก็รู้สึกผิดไอความรู้สึกผิดมันก็ท่วมท้นใจนะโอ้เราเป็นคนมีธรรมะนะแต่ทาไมฆ่าลูกยุงแม่ตดแต่ฆ่าลูกโอ้มันเสียใจมากมันยอมรับตัวเองไม่ได้มันโทษตัวเองตอนนี้ความรู้สึกผิดนี่มันก็ท่วมทนจนลืมตัวนะ ก็เอาปืนเนี่ยยิงตัวเองตายอันนี้ก็เรียกว่าไอ้ความยิงยึดติดในความดีมากเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็อาจจะทำไม่ดีก็ได้ทำตรงข้ามอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยเด็กน้อยอยากจะอยากจะได้บุญนะเพราะนั้นก็อยากจะใส่บาตรพระนะแม่เห็นว่า ของหนักยายเห็นว่าของหนักยายจะใส่เองน ะ, นะหลานไม่ยอมหลานไม่ยอมหลานก็ไม่พอใจยายตีมือยายหลานอยากได้บุญนะแต่ว่าก็ทำบาปด้วยการตีด้วยการตียายพ่อวันนี้ก็อยากจะให้ลูกเป็นคนดีนะดีเหมือนตัวหรือว่าดีอย่างที่ตัวเองคิดนะแต่พอลูกไม่ดีอย่างที่ตัวเองคิดก็โกรธ นะก็เลยนะทำร้ายนะตายฆ่าฆ่าให้ฆ่าจนตายคามือนะอันนี้สุดถ้าสอบแล้วคือเรื่องความยึดติดถือมั่นนะยึดติดถือมั่นนะในในภาพลักษณ์ของตนในนะในความดนะีที่ตัวเองยึดถือ อะไรก็ตามเนี่ยคึ้นชื่อวยุติถือมาแล้วก็ทำให้ทุกข์ทั้งนั้นแหละแม้ว่าสิ่งที่ยึดติดนะมันจะเป็นความดีหรือว่ามันจะให้ความสุขกับเรานะแต่พอยึดแล้วนี่มันก็สามารถจะกลับมาทำร้ายตัวเราเองได้สิ่งที่ช่วยทำให้เรานะคลายความยึดติดถือมากคือการมีสติแล้วก็มีปัญญานะมีสติ ก็คือรู้นะเวลาโกรธนะเวลาเวลามีอะไรมากระทบตัวกูรู้ทันอาการของตัวกูนะแล้วก็รู้นะว่านะความตัวกูนี่มันกำลังจะโกรธแล้วกำลังจะครอบงำจิต <c oughs> มีปัญญาคือมีปัญญาเห็นโทษของความยึดติดถือมั่นนะไม่ว่าอะไรก็ตามเนะี่ยถ้ายึดติดมันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็กลายมาเป็นนายเรา ยึดติดในเงินนะว่าเงินเป็นของเรา <S <S เงินมันก็เป็นนายเราทันทียึดติดในรถยึดติดรถว่ารถเป็นของเราเราก็เป็นของมันทันทีอลไวก็ตามถ้าดีอล้วก็ตามที่ดีเนี่ยมันดีตามใดที่เราใช้มันนะแต่ถ้ามันใช้เราเมื่อไหร่เนี่ยแย่แล้วและที่มันใช้เราได้เพราะความยึดติดนั่น ยึดติดในความสงบนะปฏิบัติธรรมแล้วสงบโอ้โหก็ยึดติดนะนะที่มันยึดติดเพราะมันเพลินไงพอเพลอแล้วก็อยากจะได้มากๆอยากจะให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆพอมันไม่เกิดขึ้นอย่างที่ใจหวังก็เกิดความไม่พอใจเกิดความทุกข์นะเกิดความโกรธในที่สุดภาวนานะ แทนที่ใจสงบกับฟุ้งมากเข้าไปใหญ่อาจจะฟุ้งหนักกว่าคนที่เขาไม่ภาวนาด้วยหรือบางทีก็ถึงกับเพี้ยนไปเลยก็มีคนไม่ภาวนายังไม่ถึงกับเพี้ย น, น, นแต่พอภาวนาภาวนาผิดก็เพี้ยนไปเลยหลวงพ่อเฟื่องนั้นพู้ไว้ดีนะับอกว่าจริงแม้ความคิดเราจะถูกแต่ถ้าเรายึดมันก็ผิดนะ มันผิดเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดได้นะแล้วก็มันผิดเนื่องจากพอยึดไปพอยึดไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมายึดจะเป็นกูเป็นของกูไอ้ตัวไอ้ตัวกูของกูนี่มันก็มันก็เป็นเชื่อสลัดความทุกข์อยู่แล้วนะมันก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งสามารถทาให้เกิดทุกข์ได้ อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจซึ่งเราก็ต้องฝึกอยู่เสมอนะฝึกอยู่เสมอฝึกให้ปล่อยให้วางจริงการปล่อยวางก็ทำได้กับชีวิตประจำวันนะเช่นการให้ทานนะการให้ทานก็เป็นการยึดการปล่อยการคลายความยึดติดถือมัน่นแต่ก็ต้องให้ทานให้ดีนะถ้าให้ทานไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ยึดเหมือนกัน โยงวันี้แกก็ล่าเหมือนกันนะว่าเนี่ยเวลาถวายอาหารพระนี่ก็คอยดูนะว่าพระจะฉันอาหารที่ตัวเองถวายหรือเปล่านะ น, นั่นเนี่ยเป็นการวางใจที่ผิดนะเพราะว่าเมื่อให้ให้ของใครไปแล้วนี่ก็ต้องก็ต้องวางนะในสิ่งของนั้นถือว่านั้นไม่ใช่ของเราแล้วนั้นเป็นของคนอื่น ถวายอาหารในหลวงพ่อนะอาหารนั่นก็เป็นของหลวงพ่อไปนะอันนี้พ อ, อยังยึดนะจะมีความยืดอาหารของเรานะก็คอยดูว่าท่านจะฉันไหมนะก็บอกเขาไปว่าเนี่ยเวลาเวลาเวลาประกอบเหตุนเนี่ยเราทำเต็มที่นะส่วนว่าผลจะเป็นยังไงนี่ก็ต้องปล่อยวางนะ บางทีเราทำอะไรไปแล้วก็ยึดในผลนะดูว่าผลมันจะเป็นอย่างไรถวายอาหารให้ท่านแล้วก็คอยดูว่าในท่านจะชันของเราไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องความยึดติดในผลอีกแบบหนึ่งนะแล้วคนเราทุกวันนี้ทุกข์ก็เพราะว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยก็จะไปคอยดูว่าผลมันจะเป็นอย่างไรนะคนก็จะตอบรับไหมคนก็จะสรรเสริญไหม มันไม่ใช่แค่ว่าหลวงพ่อจะกินหายของเราหรือเปล่านะแต่รวมถึงอย่างอื่นด้วยผลงานอย่างอื่นนะคนก็จะชื่นชมสรรเสริญไหมหรือว่ามันจะอะช่วยเขาได้หรือเปล่านะบางทีไปช่วยใครเนี่ยก็ก็คอยดูว่าเนี่ยเขาจะอะดีขึ้นไหมการติดตามใส่ใจก็ดีเราแต่ถ้าไปยึดว่าเนี่ยถ้าช่วยแล้วเนี่ยเขาต้องดีขึ้นนะถ้าเขาไม่ดีขึ้นเราทุกข์นะอันนี้ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความเป็นความยึดติดนะซึ่งมันก็เป็นความยึดในตัวตนแบบหนึ่งนะยึดติดในตัวกูของกูว่าสิ่งที่กูทานี่มันต้องเกิดผลดีนะมันไม่ใช่แค่ยึดติดว่านี่หลวงพ่อจะฉันาหารของเรารู้เปล่าให้เราฝึกได้นะการฝึกการวางว่าเวลาจะถวายทานนะเราก็อ่า เมื่อถวายแล้วก็ถือว่าเป็นของท่านไปนแล้วนะท่านจะฉันหรือไม่ท่านจะชมหรือไม่อ่ะก็เราเราไม่รับรู้ด้วยหรือว่าเราไม่ยึดติดถือมันนะมันเป็นการฝึกการปล่อยวางนะในเรื่องตัวกูของกูแล้วก็ฝึกให้เราเนี่ยรู้จักทําเหตุให้ดีนะแล้วก็ปล่อยวางผลซึ่งก็ไปใช้ในการทํางานได้ทํางานนะั่นแล้วก็ตาม ในหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเราทำเหตุให้ดีนะเราก็ปล่อยวางผลได้หน้าเช่ของเราคือทำเหตุให้มันดีที่สุดผลจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยนะวางใจแบบนี้ก็ทำงานอย่างมีความสุขนะแล้วมันก็ช่วยลดนะช่วยคลายความยึดติดถือมั่นนะในตัวกูของกูได้ การทำงานนี้มันเป็นโอกาสนะที่เราจะคลายหรือปล่อยวางความยึดติดนะแต่ถ้าทำไม่เป็นนะมันก็ยิ่งยึดติดถือมันมากขึ้นนะเสร็จแล้วก็ทุกเพราะความยึดติดถือมันนั้นยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์นะมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่งานมันไม่เกิดผลเท่านั้นนะแต่ว่าเกิดทุกข์ด้วย การทำงานก็เป็นภาวนาแบบหนึ่งนะถ้าว่าเราเราเราวางจิตวางใจให้เป็นนะใจเราอยู่กับปัจจุบันนะทำเหตุให้ดีนะเอาใจใส่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่นะทำเสร็จแล้วนี่นะมันจะเป็นอย่างไรนะก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยไป ให้เลือดอยู่เสมอนะว่าเนี่ยการแบกถือของหนักเนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างที่เราเพิ่งสาธยายมาแบกถือของหนักเป็นความทุกข์การสลรดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนะทีแรกเราก็ไปยึดของที่มันให้ความสุขกับเราในธรรมดานะอะไรที่ให้ความสุขกับเราเราก็ยึดนะอยากให้มันสุขไปนานๆอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆนะ แต่พอมันแปลเปลี่ยนไปหรือพอมีอะไรมากระทบมันเราก็ทุกทันทีพอทุกแล้วมีความเศร้ามีความโกรธก็ยังแบกมันเอาไว้บานะงที่มันก็ไม่น่าแบกเลยนะไอการแบกสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี่มันมันก็มีเหตุผลนะแต่การไปแบกไอสิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับเราอันนี้มันไม่มีเหตุผลเลยแต่คนก็แบกกัน แบกความเศร้าวความโศกความโกรธและปล่อยให้มันนะคลอมงำบีบคั้นเผาลนในะจิตใจถึงขนาดกินไม่ได้หนอนไม่หลับแล้วก็ยังไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็ยังแบกเอาไว้อนะยังคิดย้อนนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปที่มันทำให้เจ็บปวดทำให้โมโหทำให้ขุนมัวแล้วก็ไม่ยอมวางสักที ถามว่าทุกแล้วทำไมถึงแบกนะมันก็เพราะความลืมตัวนั่นแหลนะพอลืมตัวแล้วมก็มน่าจะน่าจะอยู่ในการกรองเพลิมันก็ไม่คิดจะถอนออกมานะ <c oughs> อันนี้คือทุกข์เพราะแบกนะยังไม่ได้พูดถึงว่าไปทํำลายคนอื่นก็เพราะแบ่งเหมือนกันเดือนะดติดถือมันในความดีนะ พอเขาไม่ดีอย่างที่เราคิดนะก็โกรธทำร้ายเขานะหรือต้องการสั่งสอนเขานะเพราะว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะไม่ไม่ไม่ทำดีอย่างที่มันควรจะเป็นนะการมีสติรู้ทันอารมณ์ของตัวรู้ทานความเพียงตัวนี่มันจาเป็นมากนะยิ่ง ยิ่งเชื่อนะยิ่งอยากจะตั้งมั่นในความดีมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งต้องยิ่งต้องมั่นนะตรวจดูใครควรมองตนอยู่ตลอดเวลา